วันนี้เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทาั้งหลายเลยนะคําพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายแล้วนั่นต้องข อ, อโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตาม ให้คุณทางหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึง ให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็น ไอธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านมาให้แสดงนอะคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเรา เรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้กวรเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปไถูกตน้นไม้มันไปไปถูกอากาศ มันถูกพวกเราทางหลายนี้เองเพราะว่าทำอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิจฉานั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็น เพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาอย่างนั้นที่พวกท่านทางหลายทำกรรมฐานานั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกาจัดสิ่งทางหลายเหล่านี้ นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวตมนี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรเลวุ่นไปทั้งหมดหนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เปิดทุกข์มากเหลือเกิน นี่เ่นั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐ า, านนี่มามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะ ที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะ รังคังใบนี้ใครว่ามันโตรหรือมันเล็กอตอบได้ไหมล<ะ>เล็กนะครับเล็กเลอไม่ใช่มันโตรหรือเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นนะ นี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจ ต, ตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำละคังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้ เห็นระครังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวตัวนี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนจะเพราะระครังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งเดี๋ยวนี้เห็นละคังใบนี้มันเล็กไปเห็นละคังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นละคังใบนี้มันโตไปเอาบาดพระพากครวมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นละคังใ บ, น, น, งบ น, นี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระพะครไม่มีอนี่มันเล็กเอาบาดพระพะครมาตั้งพุ๊บ รังคังนี้เล็กแล้วทำไมเป็นยังงั้นเราทุกคนถ้าหากว่าเห็นอาลาคังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ลาคังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ลังคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ลังคังใบนี้ มันโตกว่านี้มาเห็นละคังใบนี้ก่อเล็กความเป็นจริงละคังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทําให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาเละคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ละคังใบนี้มันก่อนไม่เล็กไม่โตมันอยู่างเนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทาละคังใบนี้ให้โตขึ้นแยวนี้ก็ได้ ทำระครังใบนี้ให้เล็กลงได้นี่ก็ได้คือความหลวงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบ เราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางกลางอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดได้วกว่าดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปนติดสมมุติ ไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทํากรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบ มาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแคร์เนี่ยมันมป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมทีนี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนละ่ะ เพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จากความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็าหาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกคราวนั้นเนี่ยนามาอาศัยตรง น, นี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกถึ่สามสิเปอร์เ็น แต่ก็มานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปขน้นใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือคือเราเนี่ยไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐ า, านใหม่ๆไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอากี้พึ่งมาอุดหูไว้นึกไปอยากให้ตาบอดถึงจะดี เ, เงียบยังไงเอาขี้พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบเงยแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันมีเงียบมันวุ่นก็ <c oughs> <c oughs> เลยคิดไปเอ้อไอคนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเปลี่ยนพระอารหันได้อย่างเนี้ยก็คิดไปอย่างงี้นี่ธรรมารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทาหาอย่างนั้นอาตมาโง่ามาแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็ยั ง, งโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแล่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากเลยนะเดี๋ยวใจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกะก่อนทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะ<ม>บางทีพอนั่งเปรียบหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือ เสียงรถมันฮือมาต่ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะอืนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราเออก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินพอเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดัง เสียงรถมันดังก็ น, นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็ได้ไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นเลยไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นเลยหารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยเนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความไปจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่า รถมันมากกว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดไม้มันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมากก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมดิรเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทําไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเรา ขารถไม่มีเสียงมันจะนําเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้แบบปัญหาก็หมดใช่ไหมนะ่ะนี่เราเราเราเป็นเรารถเป็นรถวางไป็นคนอาธิยกระทางมันก็สบายอนะไรนั่นเนี่ยอันนี้เราก็บพ่อเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันเึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ให้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหมอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอืมยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จ บรรทุกปูนมาเด็กมาไม้มามารวมกันหนึ่งกองใหญ่มันก็เกะกะไปหมดไม่อยู่ไม่ได้แร้วเพราะอะไรเพราะมันทําอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดทั้งนั้นนะฮะที่นั่งไม่มีน่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทางหลายเรนรวมกันก็เป็นเส เป็นที่เป็นระเบียบแล้วอาคารหนังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมาฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อนมันร้อนมันหนังไฟมันร้อมคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเอง อย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บไปทีไหนเด็กตรงไหนไปตรงนั้นก็เก็บไปตามที่ ม, มันก็เดียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกกะนั่งสบายเสียงมาก็ระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะเจมูกกลิ่นมากระทบเจมูกก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องมันซะรถที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันไปเสียอะไรที่มากระทบร่างกายผานัาหนึ่งก็ปล่อยให้มันไปเสีย อารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสี้ยงก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแลว้วก่อนนะอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี่ ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศก็ไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบจะะชทนเดียวการปล่อยวางแล้วก็สงบแดีวก็นั่งสมาธิเดี๋วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันเก็เป็นเอกเป็นเอกกตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั้นแหละสิ่งที่มันเกิดมาย้อนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วย กรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการณ์ขึ้นมากระมายยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไวแล้วนะและบัด น, นี้มันลุกมาเรียนงานนี่กฎที่ว่าทาดีมันได้ดีทําชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทํานั้นก็นึกว่ามันดี แต่ไปทํามันเสียมันไม่ดีไอความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแดีวมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทํามาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังไงต้องอดทนในทํามาแล้วอดทนใช่นี้อัตามานี่นั่งใช่นี่เหมือนแต่ กับจะอาหกสิบกว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช้นี่วันสองวันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแต่มาพยายามใช้นี่มันมันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนมอย่าไปทํามันขึ้นมาถ้าไปทํามันขึ้นมาแล้วไม่ก่อควาเวลานั้นมันก่อควาเวลานี้ไม่ก่อกวาวันนี้ก่อก่อก่อความพุ่งนี้ ไม่ก่อควรเดือนนี้ก่ก่อควรเดือนหน้าไม่ก่อควรปีนี้ก็ก่อควรปีหน้าไม่ก่อควรชาตินี้ก่ก่อก่อควรชาติหน้าท่านจิงว่าดักพุทธศาสตร์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้อย่างนี้ให้จำไว้อสิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้กวกนทามันแล้วไปสิ่งอ น, อนาคต ที่ที่จะสิ่งที่จะทำํำสิ่งที่มันก่อกวรบุ่นวายก็อย่าพึ่งทํามันก็ให้มันหมดค่อยๆค่อยๆหมดไปเหมือนาน้ำใส่ในขันนี่เอาน้า ม, มาเทใส่เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพวงนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกันนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พวกนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะ อย่างนี้ไอพวนปืนนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งเนาะตอนเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้ทอนะมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกเอาเข้าอีกของเทียมไม่ดีก็ควรบุ่นวายเอาออกออกเนื่อยเนี่ ย, ยก็หมดนะเอาออกเอามาใส่อีกไม่หมด มุนวายเต็มทีเนาะอยากเนาะ ม, น ม, นมันก็ต้องเป็นอย่าง น, านั้นมันต้องเป็นอย่าง น, านั้นอย่างเราทํางานเมื่อเราจะทํางานเนี่ยไอยความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คําสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่าง น, านั้น เคยเป็นยังไงหรือเปล่าน่ะมันมันขวางเลยถ้า จ, จะไปทำงานแล้่มันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลนั้นตค้างเฮงให้ลุกตื่นว่าอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนเห็น <S <S <S ไหมมันต้องฝื้นพึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกาารรมฐานสักคนหนึ่งเลยใช่ไหม <c oughs> วันนี้รับนะพรนะรับพรซะว่าให้เก็บแสบหลายอย่างแล้วกวจะเป็นกรรมลรับพรซะอิยทาวาริวะห้าปูราปฎิปเรนติสะครังเอวามีวิโตทินังปิตานังอุปกปติ อิจิตังปิตังตุมหังิปเมวะสิตุสัพพเรนตุสังปาจันโทปนรสุยะธามิโชตีราสุยะธาสะเบตเววจันโทสาบาโรกอริานะโตมาเนโมอวันรยสกีเดกายุโขม มิวัดนะสิลตะนิจังวุตาจนทร์ชาารวัมาวดเนอายุวะโนสุขังาลังวดุสสพมังคะรังราคันุสะปวตาสบาปุานุบาวนาสันดาสติวันตุเต มหาทุสสะพมังกรังราคันทุสสะเดวตาสะบาธรรมานุภาเวนัสันดาโสติภวันตเมหทุสสะมังกรังราคันทุสสะเดวตาสะบาสังกาุาเวนสันาโสติ ฮาวันโตเตหน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปช้าก็เดิน ดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ไอ้ไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังไลยเอ้าเอาขึ้นฟังอาไรเนีนยจะคิดถึงโยมมันนั้นห่น่นนีเนาะเอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทางลาอีกแล้ว จำเป็นจตทองขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หลืทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทาจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในยาบทของพระสงฆ์ในหนังร้วยวันนี้ วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสง์นี่คืออะไรมีไว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสง์เมืองไทยเป็นหลักป้องการความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชน พุทธบริษัทท้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ยังในอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยาก ทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาประสงค์ให้พระสงค์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทําบุญสูนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาประสงค์เป็นพยานพร้อมทางการช่วยแนะนำําสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไร ผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั่นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารบคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารบคนเฒ่าคนแก่ให้คารพพ่อแม่ให้คารบครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมา อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสือเส่อมไปบ้างนั่นแหละมันเสื่อมไปบ้างน่ะเพราะว่าไฟน้ํามันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นโคตถึงประชาชนเมืองไทยน่ะ <c oughs> เมืองนี้อัตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ คงจะคงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุยี่สิบปีผู้ชายอายุยี่สิบห้าปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตใช่ไหมเดี๋ยวนี้ ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นไอ้พวกเราทางหลายจึงมาอบรมอบรมอบร ม, บรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัย ทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเชียนว่าคนทำดีก็ยังในดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังในชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเห็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราระยะเวลาประมาณสักหกเีบกว่าปีมานี้ ที่อาตมาเกิดมามีอายุหกสิบกว่าปีนี้ <c oughs> มันเปลี่ยนไปไกลิบอิ์เกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่มิฉะนั้นเราควรสํานึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่ ท, ที่ที่เป็นแก่นสารมากทีเดียว เห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากสก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเพื่อเกินจะทำยังไงเรื่องมากปัญหามันกว่ามากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่จะมาแก้ปัญหาทุกวันหรือไม่หรืนยังไงอันนี้พูดใต่คิดนะ พูดใน้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติเจดวันจิมห้าวันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติในหะ้อยู่สบายกัน อัตมามาเมืองนีเ้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นนะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้านะ่นเดินตืตะตืตะตอนเช้าหิวของห น, นักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอัตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมาฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกัอยู่โ น, น่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นงไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอัตมาเสีงเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรี่ยงลูก้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ ถ้าเราไปถูกยังไงเป็นคนแก่จะเป็นไงไมใจระทมโดยทุกอยู่เสมอเวลาทุกเวลาน อ, อันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้ว อ, อาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่าง เรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดมืด ผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแตง่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมัง้งมันช้ามันไม่ทันเวลาครุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้นก็เลยไปกันใหญ่อาตมา ก, ก็ไม่รู้จกว่าจะพูดยังไงนะอ อันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษเลยนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เราจะเอามาให้ฟังอย่างหนึ่งน ะ, ะ, ะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆ ห, หลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษรอนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆแต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบาย อย่างนั้นใครจะ อ, อะไรไหมใครจะอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหลังใหญ่ถูกลูกสอนเขาปิ่งไปปิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหลังใหญ่ๆน่นช่วยดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกสอนของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากเหลือเกินเน จะแสบมากนะเจ็บมากเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาทั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมาฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องอเป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมที่ไมตตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อน ทำแล้วไม่ไวุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม้โกหกเจ้าของไม่โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อํานวยการวัฒนธรรมตัวของเรานีมีตันหาเป็นผู้อํานวยการตันหาของพวกเราหนี่ วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตันหาเป็นผู้อวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นนิบาสต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุ ก, กข์กขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นนิบาสต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นนิบาสต่อไปมัฒนธรรมของตันหานั่นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นนิบาสต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอนไรก็เอา แต่เป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทางในนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทําข้างในมันก่อนอย่างอตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศไซยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเราเปรียบร้อยก็สปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรๆมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปเนี่ยอันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะคอยไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่าย อันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกอือไม่ค่อยสงบดีเนี่ยฉะนั้นอ่ะศีลธรรมนี้จรึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจ ด, ดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้เนี่ยยังไม่สบายนี่ฮะนี่เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปหมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เข้าตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยูน่นะไม่ค่อยสบายอยู่นั้นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยเนะยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะอืมส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเอง อาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นต่อ น, นั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายอย่าตรวจเอาเองเงี้ยนั่นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เขียมันออกเขียมมันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายเท่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศในฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเอง คอยแต่ ack, หายแจ็คมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศ่ยน้ฟังยางงั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอแล้วมั้งถ้าคนถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหย มันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอาให้มันหมดอจะจับใส่กระเป๋าไปเทงเมืองไทยให้หมดปัญหามากเกินตรงนี้เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยเอมี วัฒนธรรมของ พ, พุทธเจ้านั้นแต่ว่าทําไมเรื่องการบ้านการเมืองก็อยู่ยากแท้นะครับอ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองตัางหากนันเนะ่ย <c oughs> ยังยังเมืองนีก่กฎหมายมีอยู่ดีอยู่ทําไมมันถึงมีโจรมีข โ, โมยอยู่วะ <c oughs> ที่เดไปขโมยคนไม่ใจกฎหมายไปขโมยในคนไปขโมยนิวหวัน <c oughs> มันค น, นเรื่องกัน ในประสบการณ์ของลุงพ่อเองนะครับเคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้านแต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับมีเจอเจอเหมือนกัน อยู่เช่าบ้านหรือมาฝึกกรรมฐ า, านนั่นน่ะับนี่เข้าอยู่ในบ้านหรือจะมาฝึกกรรมฐ า, านอย่นี้นเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้น่าจะจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านะังเนาะลุงพ่อเมื่อใดอธิบายเรื่องโนะกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของกันนั่นก็ไมาถึงมีความหมายอย่างไร ยังไม่เคยโกโหกจากของเนื้อนั่นนะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นแล้วดูออกมาอยู่ในจากของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจากของนั่นแหละมันจะรู้จักโกโหกเจาของไหมคนมันไม่รู้จักโกโหกเจ้าของก็โกโหกคนอื่นด้วยไปเท่า น, นั้นเนี่ยเขาก็ถามเรื่องขโมยจากจากของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ <c oughs> ออธิบายนะครับอธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมย <c oughs> มันกงขโมยเท่านั้นเดี๋ยก็หยุดมันซะทิ อธิบายอะไรไปอีกล่ะก็หยุดมันเท่านั้นเนี่ก็ไม่ขโมยตัวไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะมันหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะถ้ามาเดืดูมันนี้เขามาเนี่ยกี่คนอดี๋ยวนี้ยี่สิบคนจะไปเมื่อไรจะไปเมื่อไร แล้วพวกนี้ทํางานอะไรอ๋อนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักไปยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไงอย่าให้มันกินจะ ด, ดีกว่าเนาะแต่มันกินแต่ ม, มันกินผักไปเนี่มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอยากให้มันกินเมืองไทยนี่ เราเหมือนเป็นตามชนระบุต่อมังใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากรักไปอยู่ตามบ้านนอกอเกี่ยวแก่ประเพณีท่านั่นนะค่อยๆ อ, อยู่ไปรู้ไปโหเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จกกักหรอกอืเขากินเขาเนี้วก็กินเขาเนี้วเขาไปเขากินปลาล่าเขากิมปลาล่าเข้าไปนปา น, ากา น, นๆนก็ได้หลายเดือนเนี้ยมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมากไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อันนั้นเป็นของเชื่อมในง่ายครับไม่มีอะไรหลยมัหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะอมมนืมันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไรนะพวกเรามากันเมื่อไรล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้วน่ะก็พอละมัง้งมลยสอนไปเพิ่มยิ่งมันจะเลือ ก, กระบุง้งละมัง้งจะพายไปไหวไหมนะออืมอืมค่อยๆค้คนรับจะรับไปเทียมากเถอะ รับที่ไดน้อยข้ใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองคนเราไปตรงไหนเมื่อไรเราจะกลับละ่ะน่บายหมไอ้มันสบายเถอะให้มันไม่สบายเรอกบายไอความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีกเก่ายู่นี่มันปวด ยังไงอยู่สบายั้มสบายทั้งปวดฝียุ้งก็มีเพื่อนมาเห็นกันนะสักองงอยู่สบายไหมสบายไม่รั่วมาดูดไปเมื่อไรเวลาเพียงไนเวลาพอ้รือ อ, อย่งให้เวลามันมากเลาก ส, สงสยงัยเาวาทนี้ผมงว่าสงสัยสันชันคือพวกเขาเนี่ยเหงาแต่แค่เพิ่งมุ่งมีย <c oughs> ัไงก็อะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไหร่ครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขา อ, อยากจะให้เราทราบด้วยนะครับคลาไปแล้วนะอาจารย์คลา คเรื่อยไปเนี่ยเป็นอาจารย์คลมตาในก็คืออาจารย์คลมตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรใจเราคลมให้เป็นอาจารย์คลำ <c oughs> ต, ตาใจจะสว่างขึ้นตรงนั้นคลำเลยไปเถอะเรื่องความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ <c oughs> ไม่ได้อำนวยการปฏิบัตเิเรื่องศาสน า, าหรือว่ า, าต้องมีทั้งสองอย่างถึงใด ส, ส, ส, สมดุล น, นะครับมีทั้งสองอย่างโลกโลกเจริญกับมันมืดมันเจริญขึ้นเห็นไหมโลกโก้ท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดเข้าไปทุกวันทุกวัน น้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกนีสะดวกได้แต่คนมาหลงสุกซักหลงความสว่างซะหลงน้ำซัหลงความสุขซัะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองก็นั้นไม่มีอะไรแล้วเป็นให้โทษโลกอะ ทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้องจึงไปเสนอเสริญเขาจึงไปให้โทษเขาดีใจกับเขาเสียใจกับเขาเพราะเราคิดไม่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาธรรมชาโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้นเราคิดผิดเองเราเราจึงมานั่งกรรมาฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่เท่านั้นแหละอย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มัน ความผิดนี่มันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วแล้วก็เลิกเนี่ยไปทําอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นโ <c oughs> อ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดครับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไป ซึ่งอตาตมาได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบริษัทบริวารทางหลายในที่นี้รู้สึกว่ามีความภูมิใจเปลี่ยนอย่างมากวันนี้เป็นวันใกล้วันที่สุดท้ายจะแล้วจะรวบรวมข้อปฏิบัติมาพูดให้ญาติโยมทางหลายเข้าใจเพิ่มไปอีก เกี่ยวกับเรื่องการเป็นมาของพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบืองแรกทีนี้รู้สึกว่ามันบกพร่องเป็นบางอย่างทีนี้จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทาของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเรา ประกาศพุทศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเรื่มใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธาศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกครั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธาศาสนานั้น ในคนเพียงสองคนเท่านั้นแหละเป็นครั้งแรกต่อมามีความเรื่มสขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมายิ่งมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึงถึงห้าคนต่อห้าคนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงถึงวันนี้คือให้เป็นเครื่องหมายทั่งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัย คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่ง <c oughs> เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเรื่มใสยมากขึ้น <c oughs> เช่นว่ า, ารัตนะท่านแปลว่าแก้วประเภทหนึ่งแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัต น, ะ น, ต, นตาลยด้วยพระศาสนาที่เจริญมาทุก ว, วันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหลัก ของพุทธบริษัทเบื้องแรกคือให้พวกเราทางหลายถึงพระพุทธให้พวกเราทางหลายถึงพระธรรมให้พวกเราทางหลายถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเราทางหลายทางใจผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ให้นับถือเป็นอย่างยิ่งไม่ให้นับถืออย่างอื่นยิ่งกว่าทั้งสามประการนี้เพราะหลักสามประการนี้นธรรมะคาสั่งสอนเคลื่อนมาจากรัตนทั้งสามประการนี้ตลอดถึงถวกวันนี้พระพุทธเจ้า ถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้พระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตราศกุ ม, มานไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นนี่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่ีพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้ว จะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่แน่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธขามาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วยคือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสียจแล้ว เราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้ายังเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุด้านสุมานนานท่านก็ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเหมือนเราทุกวันนี้ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่ า, อ, าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวานารำพันเนื่ว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิดคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมเสียธาตุดัส้ส ก, กุมารคนนั่งคือมารุตธรรมะ มารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกระรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แคนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวัฒน์ตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความเป็นจริงน่ะแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณการท่านจึงทำโลหะนี่เป็นดูพระนะ ใ ห, ให้เด็กๆมันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ยเอก็นึกว่าพระพุทธเจ้ากราบเฉยๆนับถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แปลกนะเมื่อญี่ปุ่นทําขึ้นก็เหมือนญี่ปุ่นเมื่อคนจีนทําขึ้นก็เหมือนคนจีนเมื่อแขกทําขึ้นก็เหมือนแขกเมื่อไทยทําขึ้นก็เหมือนไทยเมื่อเราทําขึ้นก็นเหมือนเราดูดรื่เป็นไงเปล่านี้ เรามากราบอันเนี้ก็นึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นมาเมื่อภัยเกิดขึ้นมาก็มากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าให้ช่วยฉันอย่าให้ฉันเป็นทุกข์เลยอย่าให้ฉันเดือดร้อนเลยให้ฉันสบายสบายนี่น่ะท่านก็ช่วยแต่ก็นั่งเฉยนี่น่ะ นั้นท่านเรียวกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความลหลงไหลอยู่อย่างนั้นลยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หายความเดือดร้อนไม่หายก็เรียว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้น อันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้จะไปดูถูกเ่านนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้คงให้แสดงให้เด็กๆทางไายฟังไงเ น, นี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นมีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองมาเห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบางเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้ อันนี้มีอุบายเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่มาใจตัวจริงของท่านที่มีรูปร่างก็จริงแต่ก่อนแต่ท่านไปนรู้ธรรมะท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันเสียใหม่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เรียกว่าทุกวันนี้ท่านยังอยู่ ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่นี้นยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่ mm hmm. พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั้นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้ว mm hmm. ก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกมันเกิดมาจากอะไร ถ้ามีความรู้ชัดเจนะจะได้รู้ว่าเออมันเกิดมาจากอันนั้นต์เราก็ไปทําลายเหตุนั้นเสียไอความสุขมันเกิดมาจากตรงไหนต้องรู้จากเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ย ว, ว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไงถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้น ทุกเกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกัตถารู้ทําความเป็นจริงแล้วอืมอะไรที่เป็นเหตุในทุกเกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกขก็รู้จักอะไรเป็นทุกขก็รู้จักอะไรจะเป็นข้อปฏิบัติหถึงความรับถูกก็รู้จักแปลว่าทุกขมันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามจริงจริงเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยัง ไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจกัตรู้อย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วพอพระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมนั้นเช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นานก็เรียว่าพระสงฆ์ทั้งนั้น แคนั้นลักษณะทั้งสามประการนี้คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งแยกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทําใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปนู้นไปอินเดียนที่พระพุทธเจ้าเกิดนะ จะไปทํากรรมาฐานตรงนั้นขันตัรูษ ต, ตรงนั้นสันนิพพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอั ต, ตมาเด้บอกว่าอุ้ยพระพุทธเจ้าไม่กัตสรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพพานตรงนั้นไม่กัตสรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัตสรู้เลยธรรมอริยสัจไม่ได้กัตสรู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นเข้าไปกราบต้นโพนั่นที่ท่านกัตสรู้ที่ท่านนิพพานก็ดีใจแหละโห้ย ใน ไ, ไปกราบพระพุทธเจ้าดีใจแล้วมมาบ้านนะครับมากินเหล้าเลียนสมใบยอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอันนี้พูดในคนไทยนะพูดในคนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่เนี้ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธพระธรรมผสมตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริง ก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่ใช่เห็นพระพุทธปลอมแต่เห็นพระพุทธประธรรมประสงค์เห็นพระพุทธพระธรรมประสงค์จริงพระพุทธประธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงค์จริงขึ้นมาความสงสัยเนี่ไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นอถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมที่ทางใดให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้น เคลื่อนจากองค์นี้ไปอง์นี้เอาเป็นเอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่า น, นั้นที่นี่ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนู่นกายไปนู่นอย่ากราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่า น, นั้นเนี่ยกลับไปบ้า น, นก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วเลยถ้ากราบถึงพระเลยมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออก อะไรความชั่วพยายามออกพระพุทธเจ้าจะช่วยคือธรรมะนะนะั่นเองน่ะโอ้เนี่ยท่านไม่ช่วยเราท่านเฉยเงี้ยเราเข้าใจธรรมะเราจะช่วยตัวเราเองท่านั้นธรรมะท่านจริงตรงไปตรงมาอยู่อย่างนั้นจะทําที่ไหนก็รู้แต่ว่าคนเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อจะทําความชั่วอย่างในอย่างอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเราแล้ว นี่ก็มองหน้ามองหลังกลัวเพื่อนจะเห็นเราเราจะไม่ได้ทากลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี่ไม่เห็นใครแตก็ทำทำแ้วก็ดีใจนึกว่าคนไม่เห็นเรานี่คือคนโง่ถ้าคนฉลาดเนี่ยไม่มีทีทำหรอกไอ้ตัวที่เราไปทำนั้นนราไม่ใช่คนเดียนะี่อย่างนี้ไม่มีทีรับทำทีไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ทำที่ไหนไม่รู้ไม่มี แน่แต่แบบปัญญาคนไม่ถึงเสร็จแล้วมันจะทําความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นใช่ไ่มกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอ บ, บๆไปทําอยู่ที่อยู่ที่ในน้ํำบ้างในห้องที่ต่างๆม้างเนื่องว่าคนไม่เห็นเราถ้าคิดให้ดีๆเนี่ยไอเราไม่ใช่คนดูนี่เราเป็นคนทําไม่ใช่คนดูนี่นก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นเองถ้าเรารู้ธรรมะจริงๆทําที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทําไม่ได้ คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนมีอย่างเนี้ยฉะนั้นธรรมะของท่านไม่มีที่ปิดบังอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงให้ถือท่านว่าเป็นรัตนาตราอันรอือันประเสริฐเนี่ยถ้าท่านมาตั้งอยู่ในใจของเราเราจะทําความชั่วไม่ได้แต่แล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นอนะ่ะอจะมีความสงบเพราะว่า ไม่กล้าทําความชั่วหรือความผิดอะไรขึ้นมาเลยนี่เพราะเห็นว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของเราแล้วพระธรรมอยู่ที่ใจของเราแล้วพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วที่นี่พระสงฆ์ก็ต้องปกครองจะต้องรักษาเราก็คือใจเรานั่นเองนะมันเป็นพุทธมันเป็นธรรมเป็นสงฆ์แล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องรูเรารักษาตัวเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้น ท่นั้นวันนี้เป็นเวลาที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะจบกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้อาตมาเห็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นพระธรมทัถประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจถึงพระรัตนตรัย การถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเบื้องแรกของศาสนาคนจมนุษย์จะศึกษาพุทธศาสานานี้ต้องสมทานปรไกรสนาคมถึงประพุทธพระธรรมประสงเชื่ก่อนเป็นเบื้องแรกให้รู้จักที่พึ่งอันแน่นอนเชื่อก่อนที่เราจะทํายังไม่ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นก็ก็ยังไม่รู้จักแต่ให้รู้จักที่พึ่งเสียก่อนเป็นเบื้องแรก เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยเมื่อจะทําผิดอะไรใครทันชี้ว่าเอออย่าอย่าทำอย่างนั้นนั่น้ทันชี้อยู่นี้เรื่อยนี่เราจะรู้จักเราเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพัฒนาใจหนึ่งพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์สมประการนี้เอารว้ในที่จิตของเรา ให้จิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงมันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วก็ช่วยช่วยป้องกันคุ้มครองเราได้ตั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้น